คุณสมบัติของอุบา ส, บบาสิกามีห้าอย่างคือ 1. ประกอบด้วยศรัทธาเชื่ออย่างมีเหตุมีผลประกอบด้วยปัญญาไม่เชื่องม ง, งาย 2. มีศีลบริสุทธิ์เพราะศีลเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีทั้งปวง 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลสี่ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาคือเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาว่าทำบุญแล้วย่อมได้อานิสงส์ผลบุญจริงห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาคือควรทำกุศลกิจในพระพุทธศาสนาให้ดีเสียก่อนจึงค่อยไปบำเพ็ญบุญตามลัทธิศาสนาหรือประเพณีอื่นๆโดยไม่ผิดศีลธรรมท่านก็ไม่ห้าม